ผมเจริญเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจได้สามเดือนก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนอีกต่อไปเขาถูกรุ่นพี่บังคับขู่เข็นและกลัน่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆหากก็พยายามอดทนด้วยไม่อยากมีเรื่องมีราวเกรงว่าจะทำให้เดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่แต่เมื่อถูกลุกรานหนักขึ้นความอดทนก็มีอันสิ้นสุดลง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 แต่เธอก็ต้องนึกถึงคนฝากนะจริงอยู่ถึงเธอจะสอบเข้ามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่อธิบดีท่านก็สั่งให้ครูช่วยดูแลเธอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะลงโทษนะักเรียนพวกนั้นแล้วเธอก็เลิกคิดเรื่องการลาออกเข้าใจไหมแม้จะยังกโกรธแค้นพวกรุ่นพี่หากคนรักความยุติธรรมเช่นเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปด้วย จึงตอบอาจารย์ไปว่าผมลงโทษพวกเขาสาสมกับความผิดแล้วครับถ้าอาจารย์จะลงโทษอีกผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกดแล้วเธอจะลาออกทำไมกันละ่ะอาจารย์วัยสามสิบเศษแยง้งผมเบื่อครับอีกประการหนึ่งผมก็ไม่ศรัทธาอาชีพนี้ตั้งแต่แรกที่ต้องเรียนก็เพราะเกรงใจผู้ใหญ่ที่ท่านหวังดีต่อผมมาถึงวันนี้ ผมบอกตัวเองได้แล้วว่าไม่สามารถจะเรียนต่อไปได้ผมต้องการเป็นนักดนตรีครับผมชำนาญทางดนตรีไทยชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นเธอเคยได้ยินคนเขาพูดไหมละ่ะนักประพันธ์ไส้แห้งนะผมจะไม่เป็นนักประพันธ์ครับผมจะเป็นนักดนตรีก็คลือกันนั่นแหละนักดนตรีจะยิ่งร้ายกว่านักประพันธ์ด้วยซ้ํายิ่งเป็นดนตรีไทย รู้ว่าเธอคงต้องอดตายเข้าสักวันเดี๋ยวนี้คนเขานิยม น, นตรีฝรั่งกันแล้วถ้าเช่นนั้นผมไปทำนาเลี้ยงชีพก็ได้คุณยายผมมีนาหลายร้อยไร่อาจารย์อย่าห่วงเลยครับใจนั้นเขาอยากบอกอาจารย์ว่าแม้แต่สุนัขมันยังไม่ยอมอดตายคืนผมอดตายก็อายสุนักแย่สิครับแต่การเป็นชาวนามันลำบากนะ ต้องเอาลังสู้ฟ้า อ, อันหน้าสู้ดินรายได้ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝนฟ้าถ้าเธอเป็นนายตำรวจไม่ว่าฝนจะแง้งหรือน้ำจะท่วมเธอก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเชื่อครูเถอะครูเองก็เป็นลูกชาวนารู้รสชาติของความลำบากมันนักต่อนักอาจารย์หนุ่มพูดดีวหวังดีอย่างจริงใจหากก็ไม่อาจทาให้คนเป็นสิทธ์เห็นคล้อยตามหรือยอมเปลี่ยนใจที่จะไม่ลาออก ผมไม่กลัวความลําบากครับอาจารย์คุณยายสอนผมเสมอว่าถ้ารักตัวก็จงอย่า ก, กลัวลําบากอาจารย์อนุญาตให้ผมออกเถอะครับผมรับรองว่าจะไม่ทําให้ผู้ใหญ่มาตําหนิอาจารย์แต่ถ้าผมอยู่ต่อไปสิครับอาจารย์ต้องลําบากใจแน่เพราะผมเป็นคนไม่ยอมคนถ้าพวกมันมาหาเรื่องผมอีกคราวนี้ผมจะเอาให้ถึงตาย อาจารย์หนุ่มยอมจำนนต่อเหตุผลของคนเป็นสิทธิ์รู้ว่าเขาจะต้องทำตามที่พูดไว้เพราะฉะนั้นการยอมให้เ้าลาออกตั้งแต่วันนี้ก็เท่ากับตัดไฟเสแต่ต้นลมจึงพูดขึ้นว่าตามใจเธอก็แล้วกันและครูจะเรียนผู้ใหญ่ว่ามันเป็นความประสงค์ของเธอขอบพระคุณครับถ้าเช่นนั้นผมจะไปเก็บเสื้อผ้า และขอลากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมลาแล้วครับและหากผมได้ทำอะไรที่ทำให้อาจารย์ไม่พอใจก็โปรดอาโหสิให้ผมด้วยขว่ายอาจารย์หนุ่มอย่างนอบน้อมและจึงเดินกลับไปยังห้องพักเก็บเสื้อผ้าพับใส่หีบหวยใบเดิมพวกเพื่อนๆไม่มีใครอยู่ให้เข้าล่ลําลาด้วยแต่ละคนกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน หนุ่มน้อยรู้สึกใจหายนิดๆเวลาสามเดือนที่อยู่ด้วยกันความรักพวกพ้องที่ก่อตัวขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นความผูกพันเมื่อจำต้องจากจรความอลาลัยอาวรจึงมารุมร้าอยู่ในหัวอกชีวิตของเขาพบกับความพลาดพรากหลายครั้งหลายคราและคงจะต้องพบผ่านอีกตราบใดที่ลมหายใจยังมี ครูสอนมีอันต้องพาหนุ่มวัย2ี่สิบเข้าพบจำพนแปลกอีกครั้งเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ชายหนุ่มไม่ยอมเรียนทั้งที่เขาอุตส่าห์พาไปฝากฝังท่านคงตำหนิครูแน่เลยเธอไม่น่าทำให้ครูผิดหวังมากมาย่างนี้เขาตอบว่าคนเป็นสิทธ์ไปหน้าและน้ำเสียงบอกชัดว่าหนักใจผมจะเรียนท่านเองครับ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 แต่คนมีฝีมือทางดนตรีไทยเช่นเธอนับวันก็จะหายากขึ้นทุกทีฉันขอฝากเธอด้วยอย่าทิ้งมรดกล้ำค่าที่ปู่ย่าตายาย เ, าเรารับมาจากบรรพบุรุษฉันขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพที่เธอรักได้ฟังคำพูดของผู้นำประเทศชายหนุ่มเกิดความซาบซึง้งจนพูดอะไรไม่ออก เขมองบรุษตรงหน้าด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเคารพนับถืออย่างที่สุดสมแล้วที่ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติท่านจึงมีความจริงใจและพร้อมที่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นคุณสมบัติเช่นนี้ยากนักจะพบในคนที่เป็นถึงผู้นำประเทศเพราะคนที่อยู่ในตาแหน่งดังกล่าว มักขาดความจริงใจทั้งไม่ยอมเข้าใจความรู้สึกนักคิดของผู้อื่นบุรุษผู้นี้จึงล้ำเลิศประเสริฐแท้ในความคิดของชายหนุ่มนามเจริญจรุนรัตเมื่อตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนหนุ่มเจริญจึงไปบางแวก เพื่อแกลบลาหลวงทาราคุณหญิงตลอดจนญาติพี่น้องแห่งบ้านสามกระไดเขาคิดว่าจะนอนคุยกับคุณพระพ์สักหนึ่งคืนเพราะคงยากที่จะได้พบกันอีกคุณหลวงวัยเก้าสิบเศษดีใจที่หลานชายมาเยี่ยมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสามเดือนติดติดกันช่วงที่ไปเรียนตำรวจชายหนุ่มมิได้มาเยี่ยมผู้เป็นปู่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 คืนนั้นท่านสวดมนต์นานกว่าปกติและถึงเข้านอนกําหนดจิตว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วท่านก็จากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบโดยไม่ต้องหาหมอมาเยียวยาคนในบ้านมารู้เรื่องก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเช้าหนุ่มเจริญลุกขึ้นมาช่วยผู้เป็นป้าเช่นเคยเมื่อตั้งโต๊ะเสร็จ ทุกคนก็ต้องประหลาดใจที่คุณหลวงยังไม่ตื่นคุณประพ์จึงอาสาไปปลุกและออกมาบอกด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าคุณหลวงหมดลมเสีแล้วเป็นอันว่าอาหารเช้ามื้นนั้นไม่มีใครแตะต้องเพราะทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่ต่างพากันจัดการเรื่องงานศพผู้เป็นประมุขของบ้านคุณหญิงห่วงร้องไห้เสียใจอยู่สักครู่ก็หักห้ามใจได้ ยิ่งเมื่อเห็นสามีนอนหลับตาพริมยิ้มน้อยๆปรากฏที่มุมปากท่านก็รู้ว่าสามีไปดีจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมันนั่งเศร้าโศกเสียใจไปที่ชอบที่ชอบเธอคะ่ะคุณหลวงอีกไม่นานดีฉันก็คงจะตามไปคุณหญิงบอกร่างที่นอนสงบนิ่งเหมือนคนหลับสนิท หนุ่มเจริญได้ประจักษ์ในความเป็นอนิจจังของชีวิตอีกครั้งเขาหวนคิดไปถึงยายผู้ซึ่งอีกไม่นานก็จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแบบเดียวกันนี้ชายหนุ่มเริ่มเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหากก็ไม่รู้ว่าหากก็ไม่รู้ว่าจะไปให้พ้นจากสภาวะเช่นนี้ได้อย่างไรบวชเนหรือเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาเกลียดพระภาพหลวงตาวัตโนดชักมีดพกออกจากฝักส่งให้ลูกสมุนพร้อมบงการเอาเลยแทงมันให้ตายแล้วโยนลงน้ำไปทำให้เขาเกลียดพระมาะตั้งแต่บัดนั้นทิศพองลงมาเผาศพ บ, บิดาขากลับจึงได้ช่วยบุตรชายคนเครื่องดนตรีไทยกลับเมืองสิงห์ซึ่งกว่าจะถึงก็ทุลักทุเลเต็มที คุณประพน์อยากตามไปเที่ยวด้วยหากก็ห่วงคุณหญิงและมารดาจึงไม่ไปสองพ่อลูกต้องเดินทางกลับกันตามลำพังนายแรมช่วยขนเครื่องดนตรีมาส่งที่ท่าเตียนคุณประพน์ก็มาช่วยขนขึ้นเรือแดงและรออยู่กระทั่งเรือออกจากท่าเขายกมือไหว้น้าชายแล้วล่ำลาญาติหนุ่ม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 ทั้งดีและร้ายถึงอย่างไรบุตรชายก็ยังโชคดีกว่าเพื่อนของเขาผู้ซึ่งเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่บางกอกไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยสักครั้งหนุ่มวัยี่สิบปล่อยใจให้โลดเล่นไปกับกระแสคลื่นแห่งความคิดคำนึงเขาหวนคิดถึงวันแรกที่เดินทางเข้าบางกอกความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้เชื่องต่างกันลิ้ลับ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 และยึดติดกับคู่แฝดราวกับเป็นคนคนเดียวกันชายหนุ่มได้ประจักษ์ถึงสัจธรรมของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคุณสายทิพย์มาพร้อมๆกับคุณสายทองแต่เวลาไปกลับไปคนเดียวไม่สามารถเอาอีกคนไปด้วยได้แม้รักแสนรักสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสายทิพย์น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั้งหลายได้ว่า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 ทุกขังอนัตตาหมดเรื่องของคนตายชายหนุ่มก็มาคิดถึงเรื่องของคนเป็นโดยเฉพาะคนที่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยช่วงเวลาสี่ปีเรื่องราวหลากหลายผันผ่านเข้ามาในชีวิตบางเรื่องควรค่าแก่การจดจําหาก็มีบางเรื่องที่ควรลืมเลือน เช่นเรื่องของลุงตาวัตโนดเรื่องคุณเปียมและเรื่องรุ่นพี่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นต้นส่วนเรื่องที่ควรค่าแก่การจดจำก็คือเรื่องของทุกคนที่บ้านสามกระไดก่อนหน้าที่คุณเปียมจะเข้ามาอยู่เรื่องครูจำนงและครูสอนผู้ซึ่งให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยแก่เขาและที่จะลืมเสียไม่ได้ในชีวิตนี้ คือลุงหมันแท่ตั้งหมอจีนผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ช่วงเวลาสั้นๆที่พำนักอยู่บ้านลุงมันเขาได้เห็นชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนที่จนเงินทว่ารวยน้ำใจภาพของแม่ผันผู้เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วเจ้ใหญ่ผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานในบ้านแทนบิดามานดา เด็กหญิงสุนีซึ่งแก่นแก้วและซุกซนราวกับเด็กผู้ชายภาพเด็กชายสามคนที่มานั่งล้อมวงเซาซีอยากฟังนิทานจากเขาสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำตลอดไป ใส่บาทพระสงฆ์ห้ารูปเสร็จเรียบร้อยยายขึ้นเรือนไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจากนั้นจึงบอกหลานสาวให้หาสำรับกับข้าวมากินกันกินข้าวยังไม่ทันจะอิ่มทิ์พองก็ขึ้นมาบนเรือนเขายกมือไหว้คนเป็นแม่ยายผู้ซึ่งถามประโยคแรกคือไอ้หนูของข่าเป็นยังไงบ้างปีนี้ อายุครบบวชแล้วนะน่าจะมาบวชสักพรรษาแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อเขาไม่เรียนแล้วครับแม่เขาจะมาเป็นครูสอนดนตรีไทยอยู่บ้านเราคุณพ่อผมท่านยกเครื่องดนตรีให้สองวงบุตรเคยบอกดีเจงแล้วเขาจะมาเมื่อไรทำไมพ่อพอง ไม่พาเามาด้วยละ่ะยายรับฟังอย่างยินดียินดีที่หลานชายจะไม่จากไปไหนอีกพามาแล้วครับตอนนี้เฝ้าเครื่องดนตรีอยู่ที่ท่าเรือผมจะแวะมาหาคนไปช่วยขนจาแรงประเดียวอิ่มข้าวแล้วช่วยไปบอกพี่เคยเองให้เอาเกวียนไปขนเครื่องดนตรีให้น้องด้วย เขารออยู่ที่ท่าเรือทิดพองสั่งลูกสาวคนเล็กงั้นบอกพี่เขยเองไอ้แวะรับกาช่วยกาจะไปรับหลานกาที่ท่าเรือยายบอกหลานสาวจะไปให้เกะกะทำไมลยยายประเดี๋ยก็จะได้เห็นหน้าหลานคนโปรดแล้วอดใจไว้อีกสักหน่อยจะเป็นไรไป หลานสาวพูดอย่างเหลืออดยายตั้งท่าจะเถียงก็พอดีทิศพองพูดขึ้นว่าผมว่าแมวรออยู่ที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวไอ้หนูก็มาแล้วก็ได้ดีเหมือนกันข้าจะได้เตรียมสำรับกับข่าวไว้ให้หลานค่ะยายยินยอมแต่โดยดีจนหลานสาวแปลกใจ